พอไม่ใส่แว่นนะถ้าอยู่ใกล้จะเห็ น, นเป็นเป็นเป็นพรมหมดเลย <c oughs> มีสีหน้าสีก่อน <c oughs> มีสีตาเข <c oughs> ้าใจไหมจะมองไกลๆนี่ก็พอแบบว่าเห็ น, เ ห, นเห็นหน่อยแต่พอใส่แว่นเข้าไปปับเท่านั้นแหละหนักกว่าเก่าอีกพอใส่แว่นเราจะเห็นได้แค่นี้ <c oughs> ตอนที่พระอาจารย์ให้นั่งปฏิบัติเอง น, น, นานๆเน็บชาก็เริ่มมากินมาที่ขากินพื้นที่กว้างขึ้นเรื่อยๆโยมก็ยกมือสร้างจังหวะดูมันไปเห็นความคิดโลดเล่นไปเรื่องโน้นเรื่องนี้หลายเรื่องจนใกล้หมดเวลาขาข้างที่เป็นเน็บชาค่อยๆเย็ยนว่าปลการเน็บชาก็ค่อยๆหายไปอย่างนี้เรียกว่าเห็นตจรักแล้วหรือไม่คะ หรือต้องคิดนำว่ามันเกิดเองดับเองเหมือนที่พระอาจารย์สอนว่าตอนที่เรายกมือสั้นจังหวะเรากำหนดอิริยบทของกายอยู่ที่มือถ้าร่างกายแสดงอาการอย่างอื่นออกมาเองโดยที่เราไม่ได้กำหนดเช่นท้องร้องกระพริบตาเลยมันกำลังแสดงความเป็นทุกข์ให้เราเห็นลองคิดนำไหมคะไม่ไม่ต้องคิดนำแต่มันก็เข้าใจใเองอ๋อนี่ไงอ๋อนี่ไง <c oughs> อ๋อนี่ไง ก็เห็นอาการแล้วแล้วอ๋อนี่อ๋อนี่อ๋เเอเรื่อยๆเหอะอ๋อไปเรื่อยๆให้มันเห็นบ่อยๆเพราะว่าทําไมต้องเห็นบ่อยๆมันไม่เคยเห็นไงชีวิตที่ผ่านมามันไม่เคยเห็นพอมันไม่เคยเห็นมันมันก็เขาเรียกว่ามันไม่เคยได้ความจรงิง อวิชชาคือความไม่รู้ก็บังอยู่เรื่อยทีนี้ไอความจริงที่กาลังปรากฏให้มันเห็นเข้าใจไหมเพื่อไปจะทดมันจะไปทดแทนความไม่รู้เข้าใจป่ะเออเอาเอาเอ า, เอาความจริงที่กําลังปรากฏให้มันเห็นของจริงพราะที่ผ่านมามันอยู่กับอาการลวงอยู่กับของ ล, งลวงๆมันจะดีแล้วเนี่ยดีมาก นางจนเห็นเหตุเจ็บชามันหายไปเห็นความคิดไปนู่นไปนี่โอ้ดีมากกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะคำว่าตั้งใจยกคือใจเราสั่งการสมองให้ยกมือใช่หรือไม่เจ้าค่ะถ้าใช่ทำไมตอนใจเผลอไปคิดร่างกายจึงยกักยางยกมืออยู่คะนี่ไงเราใช่ไหม จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวใช่ป่ะโอเคจิตมันสั่งให้กายเคลื่อนไหวไปแล้วเหมือนเวลาเราคุณสั่งเครื่องพิ้พนะ่ะคุณทํางานคอมพิวเตอร์คุณต่อเครื่องพิมพใช่ไหมคุณสั่งพิมพใช่ไหมมันก็พิ้นไปใช่ป่ะในขณะที่มันพิ้นไปมันก็กำลังดำเนินการพิ้นใช่ไหมคุณทํางานอื่นได้ไหมคุณทั้กลับมาทํางานอื่นได้ไหมคอมพิวเตอร์นั้นได้ไหมได้ฉันได้ก็เหมือนกันเนี่ยต้องการให้เห็นว่า พอจิตมาสั่งการให้กายทำงานเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วจิตไปทำงานอื่นกายก็ยังทำตามจิตสั่งนั้นได้อยู่อีกคือมันมีกระบวนการของการทำงานของกายกับการทำงานของจิตซึ่งมันสามารถแยกกันได้เห็นชัดเจนเลยว่ามันสามารถแยกกันได้หรือบางอย่างกายทำงานเองได้โดยที่ไม่ได้สั่งมันหรยอซ้ำแต่มันก็มีอาการนั้นขึ้นมาเองได้ใช่หรือไม่เนี่ยเพราะความสาคัญมันจึงที่ว่าเราเห็นอาการที่ กายมันทำงานเห็นอาการที่จิตมันทำงานไหมในเวลาเดียวกันกับเกิด2การขึ้นคืองานของกายทบงานของจิตเพราะฉะนั้นกายก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ตัวรู้ที่มันรู้ที่กายตัวรู้ที่มันรู้ที่จิตที่มันเห็นทั้ง2 อ, อย่างเนี่ยตัวเนี้ยเด่นให้ตัวเนี้ยมันเด่นขึ้นเรื่อย เข้าใจไหมโดยการให้มันเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดเ่มันจะค่อยๆเด่นขึ้นเด่นขึ้นกลายเป็นว่ากายกับอาการของกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นจิตกับอาการของจิตเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นเข้าใจยังไงเนี่ยเออเนี่ยตัววิปัสสนาญาณมันอยู่ตรงเนี้ยตัวญาณมันอยู่ตรงนี้แหละ คิดภาพบอกไหมมันเหมือนมันลอยเด่นแล้วเห็นเห็นไอ้สองตัวนี้ทํางานไปเรื่อยๆเข้าใจป่ะเออเนี่ยยานยานยานยานยานอวกาศ UFO พอพูดถึงยานมันเหมือนเป็นพานะบางอย่างที่มันลอยเป็นอิสระเข้าใจไหมที่มันลอยเป็นอิสระที่มันไม่ไม่เข้าไปเป็นกับอะไรแต่เห็นทุกอย่างที่มันเป็นเน่ยเห็นทุกอย่างแสดงอาการอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แสดงอาการนั้นเป็นอย่างนี้กายแสดงอาการนั้นอาการนี้ไป จิตแสดงอาการนั้นอาการนี้ไปตัวตัวยานคือภาวะแห่งความรู้สึกตัวหรือตัวสติหรือตัวอะไรก็ตามชื่อมันเอาเถอะมันจะชื่ออะไรก็ช่างมันเถอะที่รู้คือมันเป็นตัวรู้ตัวดูเนี่ยมันทําหน้าที่ของมันอยู่โอเคไหมให้ตัวนี้มันเด่นขึ้นมาเอาตัวนี้เป็นตัวสังเกตการตัวสังเกตการเพราะสําคัญก็คือสิ่งที่มันไม่พาให้เราไปเป็นอะไรคือไอตัวสังเกตการนี่แหละ พอมันเข้าไปเห็นจริงๆเห็นอาการของกายเห็นอาการของจิตเราก็จะเข้าใจอ๋ออาการของกายก็คือธรรมชาติของกายที่มันจะทำงานของมันอาการของจิตก็คืออ า, าคือธรรมชาติของจิตที่จะทำงานของมันอ่าแล้วความทุกข์มันเกิดขึ้นาจากอะไรเกิดจากเผลอไปยึดเอาอาการของกายนะเกิดความพอใจความไม่พอใจหรือ เพอไปยึดเอาอาการของจิตแล้วเกิดความพอใจไม่พอใจในอาการของจิตเหล่านั้นนั่นเองแต่ถ้ามันแค่เป็นผู้รู้ผู้ดูอืมนี่ไงเข้าใจยังไงเนี้ยนะเนะอาสังเกตดูนะมันต้องใช้ใช้ความพยายามนิดหนึ่งเกี่การสังเกตหลังรอบด้าน ในชีวิตประจําวันเราจําเป็นต้องตั้งใจรู้ตัวตลอดเวลาหรือไม่เจ้าคะเช่นตอนนั่งทํางานกราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะเราจําเป็นต้องตั้งใจรู้ตัวตลอดเวลาหรือไม่เจ้าคะ่นนคาาค ะ, ะถ้าอย่างนี้เราก็จะดูมันน่าน่าเสียเลียนนะฉันจะต้องตั้งต้องตั้งใจที่จะรู้ตัวตลอดเวลาเลยนะมันมันดูอะไรที่เป็นเสียเลียนมากเกินไปเอางี้ดีกว่า มันกลับมารู้ตัวดีกว่าหลงไปบ้างไม่เป็นไรสมมุติเราเดินเดินไปลืมดูลืมดูตั้งใจเดินใหม่คุยกับเพื่อนคุยไปลืมตั้งใจตั้งใจขึ้นมาใหม่เข้าใจไหมนั่งพิมพ์งานสมมติว่าเราทํางานไปเราทํางานแล้วอุลืมลืมก็ตั้งใจขึ้นมาอีกกวาดบ้านไปกวาดบ้านมาเอาลืมลืมก็ตั้งใจกวาดใหม่ มันกลับมาตั้งใจทําสิ่งนั้นมันกลับมาตั้งใจทําสิ่งนั้นมันได้เกิดภาวะแห่งการตั้งใจตั้งมาฐานขึ้นเองเนาะอย่างเราเดินเดินเดินเดินเนี่ยเดินเพลินเพลินลืมลืมตั้งใจเดินตั้งใจเดินสัพะเอาลืมอีกแล้วเอาลืมออกกลับมาใหม่เออตั้งใจใหม่มันกลับมาตั้งใจใหม่บ่อยๆแล้วต่อไปมันจะกลายเป็นอ you ัตโนมัติกับการกลับมาตั้งใจ มันกำมาบ่อยๆแล้วมันจะกลายเป็นอัตโนมัติกับการตั้งกลับมาตั้งใจเนาะโอเคไหมถ้าอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราสบายใจขึ้นไหมปฏิบัติอาจารย์ก็ทําแบบนี้แหละอาจารย์ก็ใช้วิธีแบบเนี้ยมันกำมาบ่อยๆมันกลับมาบ่อยๆหลงไปก็ไม่เป็นไรรู้ตัวเออลืมลืมอ่ะลืมลืมกำมาใหม่กำมาใหม่สักพักหนึ่งลืมแล้วลืมกำมาใหม่กำมาใหม่กำมาใหม่มันกลับมาบ่อยๆมันกบมาบ่อยๆ สุดท้ายมันจะกลายเป็นอัตโนมัติที่จะกลับมาเข้าใจไหม <_' S 1> เพราะว่ามันกลับมามันหมันกลับมาเรื่อย ๆ, ๆ, ๆอันเนี้ยลองฝึกดูนะใช้วิธีนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็สําคัญคือไม่ใช่แค่กลับมารู้กับการกระทําเฉยๆนะใจคิดเมื่อไหร่ให้รู้ทันใจคิดเมื่อไหร่ให้รู้ทันด้วยเข้าใจไหมเพราะตัวสําคัญคือการรู้ทันรู้ทันใจที่มันคิดนียย้ำนี่คือการบําเพ็ญทางจิตอยู่ตรงนั้น การบำเพ็ญทางจิตเท่านั้นที่จะพาเราไปสู่ความหลุดพ้นได้ความเป็นอิสระจากสังสรารวัฏได้เนี่ยมันต้องบําเพ็ญทางจิตแต่การบําเพ็ญทางจิตไม่ใช่ไปจ้องดูที่จิตแต่จงรักษาความรู้สึกตัวไว้กับกายเอาอากาศกริยาของกาย <c oughs> เอาความรู้สึกตัวกับกายเนี่ยเป็นฐานแต่ใจคิดขึ้นมาเมื่อไหร่ให้รู้ทันใจคิดขึ้นมาเมื่อไหร่ให้รู้ทัน คำว่ารู้ทันที่อาจารย์พูดถึงไม่ใช่ไปตัดความคิดนะอืมเดี๋ยวจะพากันเข้าใจผิดอีกว่าอ๋อให้รู้ทันเพื่อตัดมันไม่ใช่ให้รู้ทันว่ามันคิดแล้วมันคิดไงก็รู้มันก็รู้มันไปช่างมันแล้วกลับมารู้สึกตัวมันคิดไงก็ให้รู้ทันมันไปแล้วกลับมารู้สึกตัวมันคิดครั้งที่หนึ่งคิดซ้อนครั้งที่สองคิดซ้อนครั้งที่สามมีภาวะเชิงซ้อนก็ให้เห็นมันนะดูมันเถอะดูมันอันนี้เขาเรียกว่าการบําเพ็ญทางจิต นี่คือการบำเพ็ญทางจิตแต่การเป็นเป็นการบำเพ็ญทางจิตที่มีฐานที่ชัดเจนไม่ใช่ดูจิตลอยๆแบบไม่มีฐานถ้าดูจิตแบบลอยๆแบบไม่มีฐานยังไงก็หลงหลงจมเข้าไปในอาการของจิตโดยไม่รู้ตัวแหละ เดินถามเรื่องการทำบุญแทนคนอื่นทำบุญแทนคนอื่นเช่นปฏิบัติเพื่อลูกน้อมบุญให้ลูกตามหลักการจริงๆแล้วคือทำบุญแทนได้หรือไม่คะตามความคิดตัวเองเข้าใจว่าเราคิดดีปฏิบัติดีผลคือลูกดี เพราะเกิดจากการสั <people onz> <cca> ่งสอนของแม่แต่เห็นญาตินิยมทําบุญแทนเลยสงสัยค่ะเคยได้ยินนะเคยได้ยินเขาพูดอย่างนี้กันอยู่เรื่อยเหมือนกันนะลูกไม่ดีลูกอะไรนั่นก็ให้เรา ตั้งใจประพฤติปฏิบัติและอุทิศบุญให้เขาอุทิศบุญให้เขาออมอบตั้งใจทําดีๆให้เขาแล้วก็มอบให้เขามอบให้เขาเขานี่ยตั้งจิตอธิษฐานให้เขาให้เขาแล้วลูกเราก็จะดีดีอะไรเงี้ยเราคิดว่าทําแล้วมันดีก็ทำเถอะ อย่าให้อาจารย์ต้องบอกว่ามันใช่หรือไม่ใช่เลยนะเหมือนเวลากินข้าวอะ่ะกินเผื่อด้วยนะมันมีหรอกที่คนให้เรากินเผื่อมันจะอิ่มกับเราเขาเ้าใจความหมายไหมนะแต่บางทีคาพูดบางอย่างเขาก็พูดเอาใจเราอะ่ะให้เรารู้สึกมีกําลังใจอะ่ะเพราะไม่รู้จะทาไงกับมันลูกอะ่ะคือบอกมันยังไงก็ไม่เอาสอนยังไม่ก็เอาใครได้ยินไหม ไม่ได้ด้วยเลขเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยกลเอามนคาถาเนี่ยหรอวะคือแบบว่าอะไรก็ได้ที่ที่รู้สึกว่าลูกฉันจะดีขึ้นได้อะอาจารย์เห็นเห็นแม่ที่เห็นแม่ที่ดิ้นรนอย่างนี้เยอะมากเลยนะเห็นแม่ที่ดิ้นรนอย่างเงี้ยอ้สารพัดวิธีเลยที่แบบให้ลูกดีให้ได้นะรู่ก็แล้วอันก็แล้ว เอาหมอดูมาทํานายทายทักว่าถึงคาดถึงชะตาพ่อให้ลูกเปลี่ยนนิสัยก็แล้วเข้าใจคำว่าก็แล้วไหมแปลว่าสําเร็จไหม <laughs> ก็แล้วไงคือได้ทําแล้วแต่ผลออกมาดีหรือไม่ดีเห็นจริงๆเห็นจริงๆเห็นความทุกข์ของคนเป็นแม่ที่พยายามมากเลยอะ่ะจนบไปทั้งครูบาอาจารย์ก็สงสารก็เลยบอกนั้นนั่นก็ตั้งใจปฏิบัตินะ ตั <unlucky. S 2> ้งใจภาวนานะตั้งจะทําบุญทําทานทําใจให้สงบนะและอุทิศบุญให้ลูกนะจริงๆแล้วครูบาอาจารย์ต้องการให้เราเลิกออกจากทุกตัวนั้นซะแล้วมาอยู่กับปฏิบัติให้มันรู้แล้วรู้เล่าซะจ้าคือกุศโลบายครูบาอาจารย์แล้วเราก็รู้สึกว่าเออสบายใจขึ้นพอสบายใจขึ้นปุ๊บมันก็มองลูกในแง่ดีขึ้นไงทีเนี้ยพอกลับมาบ้านลูกทําอะไรดีนิดนึงก็โห่นี่ได้ผลเว้ย หรือถ้ามันทำไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็แต่น้อยลงนะแปลว่าได้ผลสิ่งที่เราทำเราก็จะตั้งใจปฏิบัติใหม่ทำดีขึ้นมาใหม่จริงๆก็คือครูบาอาจารย์ต้องการให้เราให้เราสบายใจให้เราได้มีความสุขกับการประพฤติปฏิบัตินั่นแหละเคยได้ยินนะเคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านพูดอยู่นะออ ว, ว่าทุกคนก็หลายคนก็ตั้งใจปฏิบัติดีๆนะ พระครูบาอาจารย์บอกนี่นะถ้าลูกเราวันนี้ใสไม่ดีเนี่ยเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีๆแล้วก็อุทิศให้เขานะอุทิศบุญให้เขาเดี๋ยวบุญมันจะส่งให้ลูกเราดีขึ้นเนี่โอ้โหพ่อแม่วางฤตตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติดีมากเลยนะเคยได้ยินใช่ไหมแล้วเคยทำแบบนั้นไหม <laughs> ไม่กล้ารับเว้ยเดี <laughs> ๋ยวจะหาว่าลูกเราไม่ดีล <laughs> แต่มีสิ่งหนึ่งนะเวลาเราทำอะไรดีๆเนี่ยใจเราที่มันเย็นใจเราที่เย็นใจเราที่สงบเย็นใจเราที่มีสติมีความรู้สึกตัวเนี่ยเราก็จะค่อยๆค่อยๆจากที่มันวิตกกังวลกับลูกจนเกินไปมันจะค่อยๆ ค, คลายออกเข้าใจไหม จากที่วิตกกังวลกับลูกเกินไปเนี่ยมันจะคลายออกเพราะใจที่มันคลายออกบ้างเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นทุกข์กับลูกน้อยลงแล้วก็เริ่มมองเขาได้ด้วยมุมที่มันมันเป็นกลางมากเกินบางทีเรามองลูกด้วยมุมเรามากเกินไปไงล้วก็เลยรู้สึกไม่แล่หลังใจไงเข้าใจไหมเออเหมือนเหมือนพระเจ้าสุดโททนา ช น, นะไหนบอกสิทธาถามาแล้วไงอยู่ไหนไม่เห็นกลับมาถึงวังก็ทีมาแล้วพระเจ้าค่ะอยู่ในเมืองพาเราไปดูนี้โอ้ช น, นะก็ขับรถม้าพาไปเลยข้าไปถึงกลางเมืองปุ๊บช น, นะไหนในสิทธาถาลูกเราอยู่ในสิทธาถาขเราอยู่ไหนนู่นไงพระเจ้าค่ะนู่นไงมองตามมือช น, นะไปปุ๊บภาพที่เห็นคือพระพุทธเจ้ากําลังยืนบาดรับมันต้มจากหญิงชลาแกแ่ๆจนๆคนหนึ่ง พระเจ้สุโธธนะเข้าใจความหมายความรู้สึกของพอองค์มแบบอึ้งอ่ะอึ้งอึ้งแล้วเดินไปแบบเออเบอบอิทธิาเนี่นี่อคือสิ่งที่เจ้าได้มาเจ้าทิ้งแม่เจ้าไปเจ้าทิ้งเมียเจ้าไปเจ้าทิ้งลูกเจ้าไปเจ้าทิ้งคนที่รัก เจ้าทั้งหมดไปเจ้าหายไปห7เจดปีเจดปดปีนี่คือสิ่งที่เจ้าได้กลับมาสิ่งที่สร้างความอับอายให้กับข้าเหลือเกินเจ้ากลับมาขอทานกับหญิงชราจนๆเพื่อจะได้ของแค่นี้ ทั้งๆ ท, ที่เจ้าสามารถที่จะหยิบเอาอะไรก็ได้ในอาณาจักรนี้โดยไม่ต้องขอใครเพราะมันเป็นของเจ้าตั้งแต่เกิดแล้จากนั้นก็นเดินเออเ อ, อเบอเ อ, อมาข้าไฝ ฟ, ฟันอยากเห็นเจ้าขึ้นนั่งบัลลังก์ข้าจะได้สวมมงกุฎให้เจ้าเจ้าคือนักรบผู้ยิ่งใหญ่ เจ้าคือทายาทเจ้าคือเจ้าคือเจ้าคือเจ้าคือเจ้าคือโหเยอะมากเลยพระบุรีเจ้าจับมือพ่อกระตุกตึกพระบิดาข้าอยู่นี่ข้าอยู่ตรงนี้แต่ท่านกลับไม่เห็นข้าเลยท่านกลับเห็นแต่ความคิดของท่านแปลว่าไม่ไล่หลังใจใช่ไหม ที่เห็นลูกชายกลับมาในฐานะนักบวชแล้วยังชีพด้วยการออกบินธบาตออกขออาหารชาวบ้านกินน่ะความรู้สึกของพ่อพระเจ้าสุโธธนก็คือไม่ได้ดังใจเลยใจของข้าภาพที่แกวาไว้คืออะไรภาพที่พระเจ้าสุโธธนาวาดไว้คืออะไรจะได้สมมงคลให้ลูกชาย สถาปนาเขาเป็นกษัตริย์ต่อจากเราให้เขาได้เป็นผู้นำตรนะะกูลศั ก, กยะวงศ์นะาพาตระกูลให้ยิ่งใหญ่เป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่เพราะ เ, าเขาจริงๆแลแว้วแควนสั ก, ก่าแควนเล็กๆนะยังอยู่ภายใต้การครอบงําของแขวนโกศลเข้าใจไหมยังอยู่ยังยังเป็นรัฐเป็นรัฐที่อยู่ภายใต้ที่ต้อง นั่นอยู่นนะอยู่ภายใต้แคว้นโกศลเพราะฉะนั้นสิ่งที่ความปรารถนาของพระเจ้าสุโธธนาะก็คือสามารถนะมีมีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่จะพาแคว้นสกกะพ้นจากการถูกครอบงำเข้าใจปะ เ, ออเพราอเป็นอิสระเป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่เป็นและนี่แหละลูกชายฉันนี่แหละที่มีแวว ฉันก็วาดหวังไว้อย่างนั้นจะให้เป็นมหาจากักรพรรดิเพราะมีคำทํานายไว้ไงว่าถ้าไม่ออกบวชก็จะเป็นพระอาหาจากักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่มากแต่ถ้าออกบวชมันะจะเป็นพระศาสดาแต่ความเป็นพระศาสดาคือมุมมองของกษัตริย์ไหมความเป็นพระศาสดาจะมีอะไรใช่ไหมความเป็นกษัตริย์ี่คือความยิ่งใหญ่ความมีอานาจ ความที่สา ม, มารถที่จะแผ่แสนยานุภาพออกไปนี่แหละคือคือความปรารถนาของกษัตริย์ใช่ไหมความเป็นศาสดาจะมีอะไรอะ่ะแค่นักบวชอะ่ะแค่นักบวชนั่นแหละเนะเราเข้าใจตรงนี้ให้ดีเนาะ ทไม่ได้มีความปรารถนาอย่างนั้นท่านมีความหวังของท่านอย่างหนึง่งเพราะนั้นพอเห็นลูกชายเป็นแบบนั้นปุ๊บก็มันไม่ได้ดังใจนี่แหละใจทุกคนมันมีภาพวาดอยู่ในใจเนาะมีภาพวาดอยู่ในใจมีสิ่งที่ตัวเองวาดไว้ในใจว่าอยากให้ลูกเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เพราะฉะนั้นพอเรามาปฏิบัติปุ๊บมันจะเริ่มจะเริ่มลดลดภาพของตัวเองลงหน่อยหนึ่ง แล้วก็เอาภาพของลูกที่แท้จริงค่อยๆเข้าไปนั่นแหละคือเหตุผลที่พ่อแม่ครูอาจารย์รท่านถึงบอกว่ามาปฏิบัติดีถ้าอยากให้ลูกได้ดีะมาปฏิบัติลูกมันจะได้ดีปฏิบัติแล้วก็แผ่บุญให้เขาคือให้เรามีเมตตากับลูกมากขึ้นมองลูกในมุมใจที่เป็นกลางมากขึ้นผ่านการปฏิบัติเพราะมีสติมีนั้นมากขึ้นใจเราจะเป็นกลางกับลูกมากขึ้นนั่นเองเข้าใจไหมอั้นถ้าที่เขียนมาบอกว่าทําแล้วลูกจะได้ดีไหมเนี่ยก็อ เรานะ่ยได้ดีก่อนเนาะคอยตั้งใจทําแต่จริงๆก็อาจจะได้ดีเนาะสํ <c oughs> าหรับคุณพ่อคุณแม่เนาะธรรมดาแหละอาจารย์ไม่มีลูกเนาะอาจารย์ไม่เข้าใจหัวอกคนมีลูกหรอก <c oughs> จะแต่อาจารย์เข้าใจหัวอกคนเป็นลูกนะ เข้าใจไหมออาจารย์ไม่เข้าใจหัวอกคนมีลูกแต่อาจารย์เข้าใจหัวอกคนเป็นลูกอยู่เพราะนั้นการพูดของอาจารย์บางครั้งอาจจะเหมือนกับเรียกร้องสิทธิของลูกเขาค้างลูกมากกว่าเพราะเราไม่มีบริบทของความเป็นพ่อเป็นแม่ไงเข้าใจไหมแต่เรามีบริบทของความเป็นลูกที่ว่าบางครั้งความเป็นลูกเราอยากได้อะไรเราอยากเป็นยังไงบางครั้งก็ถูกพ่อแม่ครอบงํานะ เออตั้งจาได้เลยตั้งเป็นเด็กมาเนี่ยอาชีพในประเทศไทยมีอยู่สองอาชีพหมอกับวิศวะชีวิตหัวล้อหัวล้อนี่แปละวะ่ามาเหมือนกันเลยใช่ไหมถูกครอบงาด้วยแบบนี้เหมือนกันเลยใช่ไหมหมอกับวิศวะยิ่งเรียนเก่งนเนี่ยนี่ยโอ้ยิ่งเรียนเก่งเนี่ยมาเลยฮะ หมออาวิสาบนี่คนนั้นนะจบวิศวะมานะคนมันเอาไปทํางานเรยนะได้เงินเท่านั้นเท่านี้นะโลกนี้มีอาชีพอยู่สองอย่างหมออวิสะเรียนไปเพื่อเป็นหมออาวิสาเข้าใจไหมเราถูกใส่หัวไว้อย่างเงี้ยพอเราโตขึ้นเราถึงเห็นว่าเอ้ยมีอาชีพอีกเยอะแยะมากมายนะ เพราะนเราก็เลยเปลี่ยนไปเรื่อยตั้งแต่เรียนปรถมก็อยากเป็นครูมอต้นก็อยากเป็นหมอมอปลายก็อยากเป็นสถาปนิกเข้ามาหาลัยก็อยากเป็นฟุม้มกับหนังสุดท้ายเป็นพระเป็นอาชีพที่เยี่ยมสุดละแล้ว่าเป็นพระเนี่ยดีที่สุดละ พอเป็นพระเป็นได้ทุกอย่างเลยเป็นเป็นครูได้ด้วยนะเป็นครูเป็นอบรมครูด้วยนะเป็นครูสอนกรรมฐานเป็นอบรมครูไปด้วยสอนครูอีกต่างหากนี่ก็ดีใจดีใจนะคณะครูที่สอนตอนมัธยมพอรู้ว่าอาจารย์พอรู้ว่าอาจารย์เป็นเป็นพระวิปัสสนาอาจารย์นะโอ้ยพากันดีใจอยากเคาะคออาจารย์ ช่วอาจารย์ขับไปจัดคอร์สที่โรงเรียนามาจัดคอร์สพระอาจารย์อาจารย์พระ อ, อาจารย์มาจัดคอร์สที่โรงเรียนเราจะให้คณะครูพวกเราได้ได้เข้าปฏิบัติกับพระอาจารย์ดีใจมากเลยที่มีลูกศิษย์เป็นพระวิปัสสนาอาจารย์ <laughs> เราก็ดีใจนะโวยพระอาจารย์นะพระก็ดีใจมากเลยที่ได้ตอบแทนพระคุณครูคบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงที่อุตสาหสอนเนาะมีครูคนหนึ่งแกโทรมาหาพระอาจารย์พระคูขอขอโหสิกรรมได้ไหม ท ำ, ทำไมล่ะอาจารย์ทําไมต้องขอหัวใจกรรมด้วยได้ได้ยินข่าวว่าท่านน่ะเป็นบวชนานแล้วด้วยแล้วเป็นพระวิปัสสนาอาจารย์แล้วดังด้วยโยมก็รู้สึกว่าโอ้คิดถึงตอนที่ที่ที่โยมอาจารย์อ่ะเคยลงโทษพระทําสารพัดเลยแต่ก็ก็พระเขาจริงจริงเนาะ ก็มีการให้เหตุผลด้วยนะว่าลงโทษเราแล้วก็ก็เสียใจอยู่นะแต่ว่าแต่พระก็จริงๆเนาะจาพระรู้ตัวจาว่าตอนนั้นพระก็ร้ายพอสมควรนะเพราะฉะนั้นไม่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมอะไรหรอกอาจารย์เพราะว่าตอนนั้นอาจารย์ทำไปเนี่ยด้วยความปรารถนาดีต่อลูกศิษย์ พระลูกศิษย์ก็เหียวมากๆวันนี้ลูกศิษย์ก็คิดถึงอยู่นะยังไงยังไงก็ถ้ายัางไงจะจัดคอร์สปฏิบัติเนะี่ยอยากชวนอาจารย์มาเพราะเป็นสิ่งเดียวที่ลูกศิษย์จะตอบแทนได้คือการเรียนรู้เรื่องทุกข์และการดับทุกข์แลพาพาครูบาอาจารย์ทั้งหลายเข้าใจเรื่องการดับทุกข์อันนี้เป็นสิ่งที่พระจะตอบแทนพวกคุณได้นะก็อยากให้มาก็พยายามหาคิวให้อยู่ว่าจัดโรงเรียนชวนจัดที่โรงเรียนนะ จัดที่รงเรียนเลยเราใช้ของประชุมประชุมหองประชุมที่เราเคยอยู่กันเนี่ยที่ที่พระเคยไปแสดงบทบาทนะแสดงแสดงบทบาทนะพระแสดงบทบาทเมืก่อนเนี่ยองสัยที่คุณครูเขาดีใจกันหมดเฉพาะเลยรู้ไหมในที่สุดสิ่งพวกเราสิ่งที่พวกเราก็ออยังปลูกฝัง ก็ลงสู่หัวอาจารย์จนได้ในทอาจารย์นะลูกศิษย์เราก็กลายเป็นคนดีจนได้ไปเป็นพระวิปัสนาจารย์แล้วดีใจจังเพราะฉะนั้นควรว่ารลังวันศิษย์เก่าดีเด่นได้ไปศิษย์เก่าดีเด่นคนแรกโรงเรียนเลยนะเนี่ยในฐานะพระวิปัสนาจารย์ด้วยนะส่งรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นนะ ได้เฉยเลยคนเขาส่งไปหรอกอาจารย์ก็เลยได้อผมเป็นพระรูปแรกที่ขึ้นโรงเรียนแถวๆนี้เด่นที่โรงเรียนการคิดดีปฏิบัติดีในชีวิตประจําวันต่างกับการรู้ทันความคิดในการปฏิบัติธรรมวิปัสนาอย่างไรคิดดีปฏิบัติดีในชีวิตประจําวันมันเป็นเรื่องของความตั้งใจคิดเป็นกระบวนการน้อมสู่การประพฤติปฏิบัติเพื่อดําเนินชีวิตเข้าใจไหม ส่วนการรู้ทันความคิดแล้วไม่ไหลไปตามความคิดนั้นจะเป็นการฝึกปฏิบัติที่จะดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งอริยมรรคคิดดีปฏิบัติดีเป็น <c oughs> ชีวิตที่มีศีลบัญญัติ <c oughs> ทำตามศีลบัญญัติที่เขาบอกว่า อันเนี้ยทำแบบนี้ทำแบบนี้บบนคือศีลคือความเป็นปกติคื อ, อเป็นคนดีประพฤติดีคนดีสังคมแต่การรู้ทันความคิดที่มันคิดจะเบียดเบียนคิดจะไหลไปในกามคุณคิดจะไหลไปสู่การมุ่งร้ายเนี่ยเรารู้ทันสิ่งนั้นนี้แล้วเรากลับมารู้สึกตัวได้เนี่ยมันจะทําให้เราสามารถที่จะสลัดมิจฉาทั้งหลายทิ้งนะก็เกิดเป็นสัมมาขึ้น ซึ่งมันกลายเป็นการดําเนินชีวิตบนศีลอริยมรักเข้าใจไหมศีลอริยมรักเป็นศีลสาคัญนะศีลอริยมรักเนี่ยมันเป็นศีลเพื่อเพื่อความไม่เป็นทุกข์มันเหนือกว่าตรงคําว่าคิด ด, พ ด, ด, ดีพูดดีทําดีเข้าใจไหมเพราะศีลอริยมรัคเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถรู้เท่าทันใจของเราทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้ว มันเกิดการไตรตรองทักทับทวงตรวจสอบสมควรหรือไม่อย่างไรแล้วมันจะทำให้เราสามารถที่จะสามารถที่จะทำให้เกิดความเป็นปกติในขั้นการดาเนินชีวิตตามอรอยิยมรรคมือเพราะในสัมมาสังกัปปะเนี่ยสัมมาสังกัปปะเนี่ยมันเริ่มต้น้วกการว่าคิดชอบคิดที่ถูกต้องความคิดที่ถูกต้องเป็นอย่างไรเล่าความคิดที่ถูกต้องคือหนึ่ง ความคิดที่เราจะไม่ไหลไปในรูปเสียงกลิ่นรสหลงไหลไปในรูปเสียงกลิ่นรสรสพระธรรมลมเพราะฉะนั้นถ้าใจเราอยู่กับความรู้สึกตัวและถ้าใจเรามันหลงไปสู่การชื่นชมในรูปลหลงไหลในเสียงเข้าไปจอมจมเนีเรารู้ตัวปุ๊บเราถอนใจกลับมาปั๊บเนี่ยเขาเรียกว่าเนคขมมะสังกปะดำริในการออกจากกามทันทีเข้าใจไหอ อภยาปาทัสังกปะคือการคิดที่จะไม่มุ่งร้ายอย่างเงี้ยเราอยู่กับความรู้สึกตัวเราไม่ได้คิดมุ่งร้ายอะไรแต่พอใจมันคิดมุ่งร้ายปั๊บเรากลับมาปุ๊บเนี่ยการคิดมุ่งร้ายก็ดับลงทันทีเขาจะยังอวิหิงสาสังกปะดำริในการไม่เบียดเบียนก็ถ้าใจมันคิดจะเบียดเบียนเรารู้ทันปัเรากลับมาปุ๊บรู้สึกตั ว, วปุ๊บเนี่ยความคิดเบียดเบียนก็ดับลงทีนี้พอเราคุมความคิดตัวนี้ได้ปั๊บเป็นปกติปุ๊บ พอมันจะใช้วาจาในการเบียดเบียนใช้วาจาในการทำร้ายเราเห็นใจมันขคืน <c oughs> ปุ๊บเราหยุดปั๊บกลับมารู้สึกตัวปุ๊บวาจาที่มุ่งร้ายวาจาที่เบียดเบียนจะออกไปไหมไม่ออกก็เป็นสัมมาวาจาถ้ามันคิดจะใช้กายนี้กระทำผิดในการที่จะมุ่งร้ายในการที่จะเบียดเบียนเราเห็นมันคิดยังปุ๊บเรากลับมาปั๊บอาการทางกายที่จะทาไปทางเบียดเบียนหรือมุ่งร้ายจะออกไปไหม มันก็เป็นสัมมารกรรมันทะทันดีเข้าใจอย่างนี้เนี่ยพอมันรู้ทันอีกว่าถ้าการเลี้ยงชีพของเราตรงเนี้ยมันเป็นไปด้วยการเบียดเบียนชีวิตอื่นมาเลี้ยงต่อเราให้ดำรงอยู่บุงร้ายชีวิตอื่นเพื่อมาเลี้ยงต่อเราอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเราเห็นอยู่ว่าใจเมื่อกี้นี้ปุ๊บเราจะทํำไหมเมื่อไม่ทําสัมมาอาชีโวก็เกิดเห็นไหมบางคนบอกอ้าวพระอาจารย์ถ้าโยมค้าขายอะโยมค้าขายเนะี่ยโยมเบียดเบียนคนอื่นไหม การค้าขายมันมีข้อตกลงที่เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าต้องมีกาไรเรื่องธรรมดาแต่ถ้ามันกำไรเกินพอดีเกินงามอันนั้นเรียกว่าเบียดเบียนเข้าใจไหมแต่มันเป็นข้อตกลงที่ทุกคนในสังคมเขาเอ ย, ายอมรับได้เขาไม่รู้สึกว่าถูกเบียดเบียนแต่ถ้ามันกำไรเกินเข้าใจไหมอืมอันนั้นเขาเรียกว่าเบียดเบียนโอเคไหมเออเนาะ คนเห็นเน้ยว่ามันมั น, ม, นมันอยู่ในอริยมรรคทันทีใช่หรือไม่เมื่อรู้ทันความคิดอมันจะทําให้เราดําลงชีวิตอยู่ในอริยมรรคทันทีอันนี้สัมมาการม์ตะสัมมาต่อไปสัมมาวายามะใช่ไหมส ม, มาใชอาชิโวไปแล้วสัมมาวายามะคือความเพียรชอบใช่ป่ะเพราะว่าเพียรป้องกันอกุศลไม่ให้เกิดเพียรละบาปอากุศลที่เกิดแล้วเพียรสร้างบุญกุศลให้มันเกิด เพียรรักษาและทําให้มันเจริญง่วงามไพ่บูธถามว่าคนเราอ่ะจะทําบุญทําบาปมันเริ่มจากอะไรจากคิดเพราะถ้ามันคิดจะทําบาปอากุศลปุ๊บเราเห็นทานปุ๊บเราจะทํำไหมเมื่อไม่ทําก็ป้องกันบาปอากุศลแล้วเห็นไหมมันรู้ตั้งแต่ต้นทางละถ้าทีนี้บาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วจงละจงปล่อยจงวางที่เกิดขึ้นแล้วบปลว่ามันจบไปแล้วยัง ว่ามันจบไปแล้วถ้ามันจะย้อนอะสิ่งที่มันจบไปแล้วเนี่ยมันจะย้อนกลับมาทำให้เราเป็นทุกข์ใจได้หรอมันจะย้อนมาในรูปของความคิดพอมันคิดที่จะทำให้เราทุกข์ขึ้นมาปั๊บกลับมารู้สึกตัวมันละทันทีเห็นไหมความเศร้าหมองก็ถูกทิ้งไปทันทีเนี่ยเข้าใจยังเห็นเนี่ยเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นศีลในอริยมรรคเลยการรู้ทันความคิดเนี่ย มันเป็นอริยมรรคเป็นการดำเนินในอริยมรรคมีองค์แไปในตัวเป็นศีลในอริยมรรคซึ่งมันเหนือเหนือกว่าศีลทุกอย่างเพราะศีลในอริยมรรนั้นมันคือวิธีมรรคมันคือทางคือวิธีคือหนทางอันที่จะทำให้เราไม่เป็นทุกข์เข้าใจอย่างนี้มันมีความสําคัญตรงนี้แหละที่คุณถามว่ามันต่างกันอย่างไรโอเคไหม อาจารย์ตอบอย่างนี้โอเคเนาะเขายกตัวอย่างด้วยนะจะจะอ่านไหมเนี่ยตัวอย่างแต่ก็น่าจะอ่านของเขาหน่อยเพราะว่าเขายกตัวอย่างมาคือความเข้าใจของเขาเช่นตัวอย่างเช่นถ้าเรามีชีวิตประจําวันที่พยายามตามรู้ความคิดของตัวเองว่าสิ่งที่คิดและแสดงออกคนทําหรือไม่อาจจะไม่ทุกครั้งที่ทิศตามเราแล้วมาคิดวิเคราะห์ว่า เพราะอะไรเราถึงคิดแบบนั้นๆต่อการแสดงออกมาลักษณะนี้เข้าใจว่าเป็นการเจริญวิปัสนาในชีวิตประจําวันแล้วจะนําไปสู่การเจริญวิปัสนาใ น, ใ น, ใ, นในการตามรู้แยกกายแยกใจได้หรือไม่อย่างไรหรือการแยกกายแยกใจต้องปฏิบัติในรูปแบบเท่านั้นจึงจะสามารถทำได้คุณยกตัวอย่างได้ดีมากนะเพราะเมื่อใดก็ตามที่เรารู้ทันความคิดปุ๊บมันจะเกิด เกิดการทักท้วงตรวจสอบว่าสิ่งที่จะแสดงออกไปทางวาจาทางกายมันสมควรหรือไม่อย่างไรเรียกว่ามันถูกควบคุมแล้วตั้งแต่ข้างในเห็นไหมเพราะการแสดงทางวาจาที่ไม่เป็นมิจฉาวาจามันจะที่ไม่เป็นมิจฉาวาจานะมันก็ทําให้เราไม่เป็นทุกข์ใช่หรือไม่การแสดงทางกายที่ไม่ใช่มิจฉากรรมตะใช่ไหมใช่ไหม มันก็จะทำให้เราไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าเมื่อเดก็ตามที่เราไม่รู้ทันความคิดเราก็จะแสดงมิจฉาวาจาออกไปซึ่งทำให้เป็นทุกข์แสดงมิจฉากามันตาออกไปซึ่งทำให้เป็นทุกข์อาชีวะที่ผิดก็จะเกิดขึ้นนะการดูนินตามมรรคก็เป็นไปไม่ได้เห็นไหมพอรู้ทันความคิดปุ๊บเนี่ยนี่ตัวอย่างคุณะถูกต้องแล้วนะดีมากดีมาก เรียนถามว่ายกมือตอนแรกหนักและไม่อยากยกต่อมาอาจารย์บอกให้ยกช้าๆพ้าการยกช้าจับความรู้สึกที่มือได้มันรู้สึกร้อนมีอาการชาและเต้นตุบๆเหมือนสัญญาณชิปประจอนอยากทราบว่าอันนี้คืออะไรคะพอได้เห็นสิ่งเหล่านี้ก็เลยยกมือได้ดีและทําได้ดีมากขึ้นขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะสังเกตไหมว่า พอให้เราทำแรกๆเราบอกว่ามันหนักไม่อยากยกความไม่อยากยกกับความหนักจริงๆแล้วแขนเราหนักจริงเหรอแต่จริงๆคำตอบก็คือมันไม่อยากยกไม่อยากยกอยากวางเฉยนๆนิ่งๆเรารู้สึกว่าถ้าทำนิ่งๆแล้วมันจะสงบไงที่พออาจารย์บอกให้ทำช้าๆอพอทำช้าๆปุ๊บเอออ้ยมันเหมือนได้ทาอะ พรว่าเราชอบสงบไงแล้วเลยบอกทําช้าๆแล้วรู้สึกว่าจับจังหวะ ก, การเต้นตุบๆ ๆ, ๆชีพจรได้เราก็เลยรู้สึกใจจดใจจ่อกับมันนี่ไงนี่มันชัดเลยชัดเราก็เลยรู้สึกว่าอยากทำและทําได้ดีขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่าพอเราไปจดจ่อกับมันแล้วเรามันสงบไงเข้าใจไหมพอจดจ่อมันสงบเอาเข้าจริงๆเือเรามีตั้งวาดวา ด, วาดไว้ในใจว่าอยากอยากสงบนั่นเอง พอได้ทำช้าแล้วก็ได้สัมผัสรูก้การเต้นหัวใจทุบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆลๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆวๆๆเๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆัๆๆๆๆลๆๆๆๆๆๆๆเๆาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆอๆๆอมๆๆรๆๆาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆๆาๆๆๆาๆๆๆๆยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆา ตกกระไดพลอยโจรหมายความว่าอย่างไรคะตกกระไดพลอยโจรมันน่าจะมีคําอธิบายของคนโบราณที่อธิบายไว้อยู่นะแต่เคยสังเกตไหมว่าเวลาเราลื่นล้มเราลื่นเราลื่นล้มโดยเราจะตกกระไดเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งคือเราพยายามฝืนพอเราพยายามฝืนปุ๊บมันจะมีอาการ เกิดอันตรายเลยมากเพราะฉะนั้นคนบวลาบอกถ้ามันตกกระไดกระโจนไปเลยแล้วถ้ามันพลาดปุ๊บก็ถ้ามีอากาศก็กระโจนไปอะไรเงี้ยตกกระไดพลกระโจนตกกระไดพลกระโจนนะความความความความจริงอ่ะมันตกกระไดพลกระโจนคือถ้ามันจะตกกระไดให้กระโจนไปเลยอย่าไปฝืนเพราะถ้าฝืนแล้วมันจะหนึความหมายตรงเนี้ย เขาเอามาใช้กับหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องใกล้จะตายเอามาใช้ช่วงระยะสุดท้ายนี่แหละคําว่าตกกระไดพลกระโจนคือรู้อยู่แล้วว่าจะตายก็ยอมตายไปเลยอย่าไปฝืนมันเพราะยิ่งฝืนยิ่งทรมานท่านถึงบอกว่าตกกระไดพลกระโจนก็คือเมื่อรู้ว่ามันถึงวาระสุดท้ายแล้ว เราไม่ต้องฝืนจงยอมรับกฎธรรมชาตินั้นแล้วก็ใช้ใจเนี่ยปล่อยวางไปเลยยอมรับทุกกรณีในเวลานั้นเราอาจจะกล้าเข้าสู่ความหลุดพ้นได้นนในขณะที่เรายอมรับทุกกรณีนั้นเข้าใจไหมเหมือนกับพระที่ถูกเสือกินเคยได้ยิยยนไหมเรื่องราวพระถูกเสือกินอ่ะพระถูกเสือกินเพราะกัดถึงปะ คือพระไปเข้าเขา้าเขา้าเขาเรียกว่าไปบําเพ็ญในป่ากันแล้วก็ตั้งใจกันว่าเราจะไม่ส่งเสียงใดๆรบกวนกันและกันเข้าใจไหมเราจะไม่ส่งเสียงรบกวนใดๆกันและกันแล้วพากันนั่งปฏิบัติไปวันแรกคืนแรก ก, ก็มีเมีเสือมาค่าผไปกินพ้ะก็ รักษาศีลมั่นคงต้าไม่ส่งเสียงเรียกใครก็สุบเสือไปกินคืนที่สองก็หายไปอีกคืนที่สามก็หายไปอีกจนครบกำหนดครบกำหนดเจ็ดวันหายไปเจ็ดคนหายไปเจ็ดรูปเข้าใจไหมก็เลยแบบพอมาอา้าวทำไมพระหายไปเยอะขนาดนี้หายไปสักเจ็ดรูป ก็เลยถามกันเนาะก็บอกว่ามันมันมันมีเสือมาฆ่าพระไปกินผมผมเห็นอยู่เหมือนกันผมผมเห็นอยู่เหมือนกันเมื่อคืนเนี่ยแต่ท่านก็ไม่ร้องเลยนะท่านก็ถือสัจจิว่าเราจะไม่เราจะไม่พูดมมนรบกวนใครผมก็เห็นผมก็ไม่พูดผมก็ไม่รบกวนใคร เลยตายแล้วไม่ได้ไม่ได้ถ้งางนั้นเอางี้แต่อันนี้มันเป็นอันตรายควรจะร้องบอกกันให้รู้มันจะได้ไม่เกิดอันตรายต่อกัน อ, อ่อต่อมาก็มีเสือมาฆ่าพระอีกรูปหนึ่งพระรูปนั้นก็บอกว่าผมถูกเสือฆ่าไปครับพูดร้องบอกร้องบอกแบบไม่รบกวนเข้าใจไหมเพร ผมถูกเสือคาบไปครับพระก็พากันได้ยินก็ตามไปตามเสือก็คาพระวิ่งไปอพระนี่ก็ตามไปตามไปจนกระทั่งมันข้ามข้ามไปอีกมันกระโดดข้ามผาไปใช่ไหมคาพราแล้วกระโดดข้ามไปเะแล้วก็ไปมันกําหลังกริบพรก็ทํ า, าทอะไรกันไม่ได้ก็เลยจะบอกว่าท่าน จงมีสติจงมีสติตามรู้ตามความเป็นจริงพารุมนั้นก็กำหนดสติพอเสือมันกินถนึงข้อเท้าท่านสำเร็จเป็นพระโสดาบันพอเสือกัดมาถึงหัวเขาท่านสำเร็จเป็นสกิทาคา ม, มีโูตายยากเนาะ ท, ที่ท่านตรงนั้นเนี่ยคือขั้นแรกเนี่ยท่านละวางเรื่องกายทําลายสักกายทิฐิไปจากนั้นสังเกตดูเวทนาที่เกิดขึ้นจนกระทั่งเสือมันกินมาถึงนี่แหละถ้ามันต้องจำเนี่ยมันลําบากมากเลย <c oughs> คือมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่เขียนในหนังสือพระไตรปิฎกใช่ปะเสดงวาถ้าพอมันจำเนี่ยมันลำบากเอาคร่าวๆว่าเสือมันกินมาจน จนสุดท้ายเนี่ยพระได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์คาปากเสือแล้วก็ดับลงตรงนั้นเลยเข้าใจไหมถ้าสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ก่อนแล้วท่านก็ตายตรงนั้นไปอันนี้เขาเรียกว่าตกกระไดพลอยพลอยขจุนไปในตัวกันยังไงก็งหนีเสือไม่พ้นอยู่แล้วแทนที่จะดิ้นทุร น, นทุรายกลัวตายก็กลายเป็นยอมความตายแล้วก็เอาเอาอาการตรงนั้นเอาความรู้สึกตรงนั้นเอาเวทนาตรงนั้น เอาใจที่มันหวาดหวั่นวิตกกังวลเหล่านั้นเอาอาการทั้งกายทั้งใจที่เกิดขึ้นเหล่านั้นมาเป็นเครื่องมือในการตามรู้ตามความเป็นจริงเห็นอาการของมันจนกระทั่งถอนอุปาทานทั้งปวงสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์คาปากเสือเข้าใจไหมเออเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ใช้คําว่าตกอะไรพลอยกระโจนได้ไหมเออนะอันมีอีกนะคนคนที่มันเขายอมรับความตายอะ่ะแล้วเขาสามารถจากไปได้อย่างสงบมากเลย มีโยมคนหนึ่งเขาป่วยอ่ะเขาป่วยเปนมะเร็งไงป่วยปเป็นมะเร็งพอเขารู้ตัวปุ๊บเขาเข้าปฏิบัติธรรมเลยนะเขาให้สามีพาไปปฏิบัติธรรมนะครั้งแรกป่วยครั้งแรกอ่ะป่วยครั้งแรกอ่ะเขาก็ไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติไปปฏิบัติมาอาการมันทุเลาขึ้นในขณะเดียวกันก็ ร, รักษาครบคู่กันไปอ่ะแต่เขาเริ่มเข้าสู่ความไม่ประมาทด้วยการปฏิบัติเข้าใจปะ่ะแล้วก็หายเขาก็หายนะ หายรักษาไปแล้วเขาหายหายไปเจ็ดปีเพระยาหายตัวไปเนะลยโรคหายโรคมะเร็งมันหายไปเจปีแล้วมันย้อนกลับมาใหม่แต่การย้อนกลับมาครั้งที่สองเนี่ยมันโชคดีอยู่อย่างตรงที่ว่าตลอดระยะเวลาที่เธอป่วยตอนนั้นแล้วเธอตั้งใจปฏิบัติเนี่ยตอนแรกสามีกับลูกก็ไปส่งเอาไปเอาไม้สามีกับลูกก็เลยอยู่ปฏิบัติด้วยกันปฏิบัติไปปฏิบัติมาก็กลายเป็นครอบครัวปฏิบัติ เพราะพอป่วยครั้งที่สครั้งที่สองความทุกข์มันจะหนักหนาสาหัสเหมือนครั้งแรกไหมทั้งครอบครัวได้เตรียมพร้อมไปแล้วเห็นไหมเริ่มตกกระไดพลอยกระโจนกันแล้วเห็นไหมเพราะท้ายเนี่ยวันที่เธอบวมเป่งมากเลยอะตอนท้ายเธอตัวบวมมากเลยนะพี่เกื้อก็ถามว่า พี่บอกว่าบอกว่าเธอเป็นครูนะวันนี้ขอให้เธอเป็นครูพี่ด้วยนะพี่ขอถามหน่อยในระยะขนาดนี้เนี่ยปวดไหมสามเหรอศูนย์ ตัวเป่งบ ว, วมเป่งมากเลยนะเฮ้ยแต่เวทนาเป็นศูนย์ะอเทำให้เรารู้เลยว่าในตอนท้ายของชีวิตคนใกล้ตายเนี่ยเวทนามันจะไม่แสดงอาการมันเป็ น, นกลไกอัตโนมัติมากเลยคือมันจะตัดเวทนาแล้วมันจะรวมทั้งหมดไปอยู่ที่ ช่วงตะวันจริงพรบตรงนี้มันมันงรวมพลังไปที่จิตอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่รู้เรื่องไม่เคยปฏิบัติเลยที่แสดงอาการทุรนทุรายเนี่ยมันไม่ได้อาเป็นเวทนาทางกายแต่มันคือความวิตกกังวลทางใจที่ปฏิเสธที่ไม่ยอมรับที่รู้สึกว่ายังไม่พร้อม อาการทุรนทุรายการะสรับกระส่ายทั้งหลายทั้งปวงตรงนั้นไม่ใช่เรื่องเวทนากายแต่มันเป็นเรื่องของใจล้วนๆนั่นเองเพราะว่าคุณปานีคนเนี้เขายอมรับมันเนี่ยเขาตกกระไดพลอยกระโจนเขาจึงเห็นเวทนาของเขานี่ยมันศูญเลยเขามุ่งไปอย่างเดียวเท่านั้นคือดูใจวันยมแม่ อยู่แม่พี่พิงที่พระอาจารย์ไปเห็นเนาะเห็นครั้งแรกโอ้โหหน้าแกผ่องมากเลยอะแกไม่ได้กินข้าวมาเจ็ดวันกินน้ํามาเจ็ดวันเนี่ยหน้าผ่องใสมากเลยอะกืนไม่ได้รูปเอาไโรงพยาบาลจะไปเจาะท้องเอาสายใสย่บอกไม่ต้องปฏิบัติอย่างเดียวยืนยันปฏิบัติอย่างเดียววันนี้อาจาย์ไปเจอคนอะไรอดข้าวอดน้ํามาเจ็ดวันหน้าผ่องใสมากเลยปกแม่รู้ไหมพี่อาจารย์เห็นหน้าแม่แล้ว อาจารย์คิดยังไงอาจารย์คิดยังไงคะแบบคิดว่าถ้าวันไหนอาจารย์ใกล้าตายนะขอแบบนี้เลยขอแบบนี้เลยขอหน้าพองๆแบบเนี้ยหน้าพองใสแบบเนี้ยโอ้โหหน้าแกพองใส จ, จริงๆเสร็จแล้วขณะที่อาจารย์ก็พูดเรื่องการภาวนาก็พบมันมีอยู่ตอนหนึ่งแกยกขาขึ้นแล้วแล้วแกมีคิ้วขมวดนิดนึงพระอาจารย์บอกแม่เป็นไรเหะ เวทนามันรบกวนแม่พะอจ่ า, จาเลยบอกแม่มองมุมใหม่นี้มองใหม่อีกทีหนึ่งเวทนาไม่ได้มารบกวนแม่เขามาแค่ทำหน้าที่เขามาทำหน้าที่เขามาเคาะประตูบ้านเราไม่เปิดรับก็ได้เราไม่ไล่เขาก็ได้เขาเคาะแล้วเขาก็ไปแม่ ดูดีๆนะพอสักพักหนึ่งเขาเห็นแกงงอขาขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งแต่หน้าไม่คิ้วขมวดแล้วนะแล้วแกก็ยิ้มจริงด้วยเขาแค่มาทำหน้าที่แล้วเขาก็จากไปนั่นแหละแม่ให้รักษาใจอย่างเนี้ยให้เห็นอย่างเนี้ยเขาแค่มาทำงานทำหน้าที่ของเขาแล้วเขาก็จากไปเนาะเราไม่จำเป็นต้องเป็นกับเขา พอครบเก้าวันนะอีกสองวันต่อมาแกก็ เ, เสียเนี่ยแกก็ เ, เสียแล้วเสียแบบแกไม่ได้มีอาการทุรนทุรายอะไรเลยนะแกนิ่งๆเพราะว่าถึงตอนนี้นะคนใกล้ตายถึงตอนนี้นะจับดูขาดูแขนดูอะไรนะมันจะเย็นหมดเลยเด้มันจะเย็นหมดเพราะว่าทุกอย่างมันกลับเข้าศูนย์กลางเลือดที่เคยมาเลี้ยง มันจะไม่มาแล้วมันมาไม่ถึงแล้วเข้าใจไหมเพราะมันจะเริ่มตายเยน็นเย็นมาเรื่อยๆจากขท้าขึ้นมาที่ไกลสุดอ่ะจะเย็นก่อนเพื่อนนะมันจะเย็นก่อนเพื่อนตรงนี้แหละเข้าใจไหมเราจะรวมเข้าศูนย์กลางรักษาถ้าทางกายเนี่ยคือมันจะรักษาอวัยวะที่สำคัญสำคัญที่สุดคือหัวใจเพื่อยให้ทำงานอยู่เข้าใจไหมหัวใจกับสมอง นองนั้นมันจะตัดหมดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องเวทนาไม่ต้องห่วงนะถึงจุดนี้มันทิ้งหมดละนี่แหละคือคกลไกของธรรมาชาติกายมันเป็นอย่างนี้แต่ที่แสดงอาการทุรนทุรายเนี่ยเพราะว่าใจมันฟุง้งใจไม่นิ่งมันใจไม่ยอมรับมันไม่ตกกระดาษพลอยขจรมันก็เลยทรมานเท่านั้นเองทีนี้พอแกพอแกวันที่แกจะตายนะโยมแม่นี่จะตายนะเขาบอกว่าเชา้า ตั้งแต่วันที่เก้าแล้วแตล้วแกนิ่งนิ่งหลับตาแบบดูเหมือนตายแล้วหนุ่มนิ่งชิปประจอก็ดูอ่อนมากรวมหายใจก็แผ่วมากเลยจนลูกๆแบบสงสัยแม่จะไปแล้วอะเลยเรียกมารวมกันเรื่องมารวมกันเพื่อจะกราบขอข้ามาจริงๆพระอาจารย์ชนขอข้ามาไปแล้วไงแต่นี้เขาก็อยากจะกราบพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเนาะพอบอกว่าแม่ทุกคนมาพร้อมแล้ว จะได้ลาแม่นอ้องลืมตาเย้ยแม่แกก็ลืมตาขึ้นทุกคนบอกเฮ้ยแม่ฟื้นอะ่ะแต่จริงๆแล้วคือ last energy ของแกแม่ก็ลืมตาขึ้นมาเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อจะมองหน้าลูกทุกคนหลานทุกคนมองด้วยสายตาแบบขอบคุณอะ่ะ ม, มองด้วยสายตาที่ขอบคุณทุกคนนะขอบคุณที่เราได้เกิดมาด้วยมามาเป็นแม่เป็นลูกกันนะขอบคุณที่เราได้เกิดมาเป็นครอบครัวเดียวกันแม่ขอบคุณทุกคนแล้วก็แม่ก็หลับตาลงแล้วแม่ก็ไปเลยเนี่ยนี่คือการตกกระไดพลอยกระโจนที่ทำอย่างนั้นได้ก็เพราะว่า ผ่านการฝึกฝนเข้าใจไหมผ่านการฝึกฝนมาอมืเหมือนพ่อพี่อาจารย์นะแกวันที่แกจะตายแกรู้ขึ้นนั่งนะโอ้คนจะตายมันเป็นอย่างนี้โอ้คนจะตายมันเป็นอย่างนี้เนอะแล้วแกก็เอ็นกายลงไปนอนหลับตาลงแล้วแกเ้าไปเลยอเนี่ยตกกรไดพอยกะโจนไปเลย เข้าใจอ <c oughs> ่าชอบคำฉบับนี้อยู่เลยอยากอ่านให้ฟังอยากฟังไม่ฟังไม่สนอยากอ่าน เพราะว่าที่อ่านเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่ามันจะเป็นกําลังใจให้พวกเราแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราเข้าใจขึ้นด้วยบอกการอื่นยมขอกราบขอพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์ที่มีต่อผู้ปฏิบัติยมได้รับประโยชน์อย่างยิ่งจากการปฏิบัติวงเล็บสังเกตตามที่พระอาจารย์และหลวงพิทตุ้ยได้สอนยมเข้าใจการปฏิบัติมากขึ้นทั้งที่ฝึกหัดมาเกือบสิบปี แต่ก็มีบางอย่างที่ยังเข้าใจผิดอยู่การวางจิตการวางใจที่ผิดการเพ่งจอง้องเรกวากอกาคือปัะยาใหญ่คือมีเยอะมากครันี้ได้เรียนรู้ตามก็พบว่าได้สัมผัสอันนี้จังทุกขังอนัตตาในสรรพสิ่งจริงๆอย่างตรงๆเห็นกายใจทำงานแบบไม่ได้จงใจมันน่าสนใจตรงคำแรกที่ว่าเขาได้ปฏิบัติ ตามด้วยการสังเกตเข้าใจคำว่าสังเกตเนี่ยคือสิ่งที่อาจารย์พอย า, ยามพูดมาตลอดกับการผัสสอนมาตลอดสอนมาตลอดอาจารย์บอกให้สังเกตให้สังเกตเพราะว่าการสังเกตเนี่ยมันทําให้พระอาจารย์เข้าใจแล้วถึงได้เข้าใจว่าคําว่าสังเกตนี่แหละคือคําวิปัสนาคือการทําวิปัสนาแล้วถึงได้เข้าใจต่อมาอีกว่าที่เขาบอกว่าหลักการแห่งพุทธศาสนาคาวิทยาศาสตร์นั้นมันอันเดียวกัน ก็คือการสังเกตเพียงแต่วิทยาศาสตร์นั้นสังเกตกายภาพสังเกตสิ่งที่มันสัมผัสได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่พุทธศาสนานั้นเน้นลงไปเรื่องของกายและใจเข้าใจยังไงเนี่ยเสร็จแล้วไอ้คำที่สองที่เขาพูดออกมาเขาาน่าสนใจก็คือ เขาบอกว่าเห็นกายใจทํางานแบบไม่ได้จงใจคาว่าไม่ได้จงใจในการที่จะสังเกตเห็นกายทํางานไม่ได้จงใจที่เห็นจะไม่ได้จงใจที่จะเห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทํางานเนี่ยเขาว่าไม่ได้จงใจที่จะเห็นมันนอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะการเพ่งจ้องหรือการรอที่จะเห็นมันมันจะทําให้เราไม่ไม่เห็นหรือ เห็นแต่ก็คุมเครือแต่เมื่อใดก็ตามที่เราทำไปทามาแล้วมันเกิดภาวะแห่งการรู้เห็นชัดทันในจังหวะที่มันทำงานที่กายกับใจมันทำงานอันนั้นเราเรียกว่าการประจักษ์ตรงนี้แหละการไม่ได้เพ่งจ้องที่จะไปเห็นมันแต่เป็นการทำเราเรียกอยว่าให้ทำความรู้สึกตัวแบบสบายๆคุมๆ ม, ม, มาไว้แต่ไม่ถึงกับเกาะแน่นเนี่ย พอกายมันทำงานปุ๊บก็จะเห็นจิตทำงานปุ๊บก็จะเห็นแบบไม่ได้ตั้งใจไปเห็นอันเนี้ยมันจะทำให้เราเห็นความจริงแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราจ้องจะเห็นกายมากเกินไปเราจะไม่เห็นมันจะเผลอจมไปในกายจ้องที่จะเห็นจิตเกินไปเขาไม่เห็นเพราะมันจะจ้องเข้าไปในจิตเกินไปเหมือนที่เจ้าแสงจ้าจาได้ไหมอาจารย์เราเรื่องแสงจ้าถ้าเราเพ่งจ้องไปที่รถคันใดคันหนึ่ง ก็จะถูกลดคันอื่นชนแต่ถ้าเราถอยออกมาอยู่ริมถนนแล้วมองไปกว้า ง, างเราจะเห็นช่องทางที่จะไปนั่นคือลัอกษณะการทำความรู้สึกตัวให้เป็นแบบนั้นมันจะไม่มีการจงใจเพ่งจ้องไปในตำแหน่งใดเกินไปเข้าใจไห ม, มแล้วมันจะเห็น อาการเพ่งจิตที่เพิ่งรู้ว่าติดก็เห็นมันตามจริงด้วยสติมันก็คลายตัวลงเข้าใจแล้วว่าจะดำเนินชีวิตแบบไหนสังเกตชีวิตอย่างไรจะดำเนินชีวิตแบบไหนสังเกตชีวิตอย่างไรให้เข้าใจความจริงตามเป็นจริงจะสังเกตชีวิตอย่างไรให้เข้าใจความจริงตามเป็นจริงโยมเริ่มรู้แล้วว่าที่พึ่งคืออะไร อะไรเป็นสาระที่เราควรเล่งขวนขวายเพื่อให้เห็นความไร้สาระของสิ่งที่ยึดถือเริ่มเห็นจริงแล้วว่ามันไม่ได้มีตัวตนอะไรข้อนี้ยังพาไปพบปมที่ซ่อนเร้นที่เป็นตัวชักใยพฤติกรรมกายใจโยมพบนำมารูปบางอย่างภาพในอดีตวัยเด็กที่แม่ไม่พอใจใส่และห้ามไม่ให้ทำเลเธอ และหลายครั้งที่โยมมีความไม่พอใจต่อสิ่งเลอะเทอะที่มากระทบกายวงเล็บมันมาจากภาพนี้เองสะท้อนมาและนำมาปรุงใหม่คือพฤติกรรมของแกเนี่ยเป็นลักษณะเจอเลอะเทอะไม่ได้อ่ะยิ่งถ้าไอ้ เ, อ เ, เลอ ะ, ะเทอะจะมาเปิดมามาเลอะเทอะกับเธอหรือว่ามาอะไรกับเธอนี่เธอจะรู้สึก ม, มันไม่สบายใจมันเป็นทุกข์มากวะเ น, นี่ย จนสุดท้ายเธอมันดนไอ้ตัวเนี้ยพาเป็นทุกข์มาตลอดแล้วข่าวเนี้ยปฏิบัติเธอเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นผลมาจากตอนเป็นเด็กที่แม่ห้ามเลอะเทอะห้ามเล่นเปื้อนห้ามเล่นเลอะเทอะห้ามโน่นห้าม น, น, ามนี่แล้วจะรู้สึกว่าจะต้องถูกทําโทษจะต้องถูกโกรธด้วยแม่โกรธแม่จะไม่พอใจถ้าเลอะเทอะถ้าเปือเป้อนเข้าใจบ้างนี้นะ มันก็เลยทําให้แกเนี่ยพอมีอะไรมาเลอะปุ๊บเนี่ยนามารูปตัวนี้มันจะขึ้นมาและแกจะรู้สึกเป็นทุกข์ไม่สบายใจแต่แกก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรจนแกไม่เห็นความจริงตัวเนี้ยเข้าใจไหมเหมือนที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่ามีคนที่เขาเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องแต่งหน้าอย่างนี้ต้องแต่งตัวอย่างนี้ต้องต้องอะไรอย่างนี้จนกระทั่งเขาทําความสะอาดอ่างล้างหน้าแล้วก็มองกระจกปุ๊บเห็นเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆถูกแม่กับน้าจับแต่งตัวเข้าใจไหม เออว่าต้องแต่งอย่างงี้นะต้องแต่งทาตัวอย่างนี้เนะี่ยคนถึงจะรักคนถึงจะชอบเข้าใจว่าเนี่ยก็เหมือนกันแกก็จะมีความรู้สึกว่าถ้าเลอะเทอะเมื่อไหร่แม่ก็จะว่าแม่ก็จะด่าเนี่ยเฮ้ยพอชีวิตมาเลอะเทอะปุ๊บมีใครมาทําเลอะเทอะปุ๊บแกจะแบบปิดอะ่ะปิดเพราะว่ามันมีตัวข้างในขุดขึ้นมาทันทีเข้าใจไท่านี้ขุดขึ้นมาทันทีว่ามันมีเรื่องปัญหารตรงเนี้ยในใจอืมดีจัง ยังมีอีกที่ประจักษ์กับสภาวะแยกตัวออกมาเป็นผู้ดูแม้เป็นขณะสั้นๆไม่นานนะักองเล็บกระดาษหมดโยมเขียนมาเพื่ออยากบอกพระอาจารย์ว่าโยมได้ประจักษ์พยานของพลังสติและการรู้สึกตัวเป็นทางออกและคำตอบได้จริงให้พระอาจารย์รู้ว่าสิ่งที่นำมาขยายผลมันมีอีกหนึ่งเมล็ดที่ได้รู้วิธีออกเดินทางอย่างแท้จริง ขอบุญกุศลทั้งหลายที่พระอาจารย์ทำมาแล้วนี้จงนำส่งให้พระอาจารย์สุขภาพฟื้นตัวในเร็ววันกราบกราบกราบนี่เห็นไหมเขายืนยันเลยว่าเขาได้รับมเมล็ดพันธุ์นั้นแล้วเพื่อการเดินทางที่ถูกเขามั่นใจเนี่ยที่คนที่ถามว่าอะไรเป็นตัวชีว้วัดว่าเราปฏิบัติได้ถูกและได้ผล กระดาษแผ่นนี้ที่มีโยมคนหนึ่งเขาเขียนมาบอกาอาจารย์เน่ยคือตัวชีวัดของเขาแล้วใช่ไหมผลปฏิบัติตรงนั้นมันเป็นตัวชีวัดของเขาเป็นตัวยืนยันของเขาใช่หรือไม่เนาะอ่ะหมดเวลาละกับการตอบคําถามและการอ่านที่เราเขียนมาทั้งหมดที่อาจารย์ตอบคําถามแล้วพยายามอธิบายให้คุณเข้าใจมันคือคกลไกการทํางานของการปฏิบัติ การงานที่บริสุทธิ์การงานที่ไม่มีโทษเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นจงทำการงานที่ไม่มีโทษนี้นะอนวัชานิกรร ม, มานิเอตมังรมุตตมังการทำการงานที่มันไม่เป็นโทษเป็นภยัยย่อมเป็นมงคลของชีวิตอันอุดมเพราะฉะนั้น การเจริญสติด้วยการทําการงานที่เป็นกลางให้จิตกับคืนสู่ความเป็นกลางเพื่อให้จิตกับคืนสภาวะเดิมคือรู้เฉยเพื่อจะได้รู้เท่าทาันขนาดที่จิตมันเปลี่ยนแปลงไปและการรู้เท่าทความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะเข้าไปเห็ น, นกลไกการทํางานของขันเพื่อเห็นความจริงเหล่านั้นมาส่งอ น, นิสง์ขนาดนี้และการเห็นความจริงเหล่านั้นจะทําให้เราไถ่ถอนจากความหลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเหล่านั้นความหลงผิดเหล่านั้นจะค่อยค่คลายออก กลายเป็นความรู้กลายเป็นวิชาอวิชาจะค่อยๆเสื่อมไปวิชาจะค่อยๆปรากฏเข้าใจไหมจากขุตตาปารีญาณังอุตตาปารีปัญญาอุตตาปารีวิชาอุตตาปารีอาลูกโกอุตตาปารีสวนเลี้ยงนะ เพราะฉะนั้นจงทำสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นอุทภ า, าทิคือให้มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วแก่เราเกิดขึ้นแล้วแก่เราเนาะไปแยกย้ยายกันปฏิบัติ